อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวยังมีวิธีนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้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 คนเราที่ไม่กลัวบาป ท, ทำบาปได้ไม่กลัวบาปก็คือไม่เห็นมรณะภัยความตายที่จะมาถึงตนพระพุทธเจ้าจึงตือนว่าให้ภาวนามรณะความตายนี่แหละฮะมันได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าได้แค่ เรานึกได้เจริญได้ซึ่งความตายทุกลมหายใจเข้าออกแต่จิตใจนั้นยังไม่สงบยังไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็ได้แค่ปริยัติธรรมคือคำว่าเรื่องตายแต่จิตคนเรามันหาเป็นไปอย่างนั้นไม่จึงจำเป็นต้องนึกต้องเจริญ จนจิตใจนั้นเห็นด้วยเข้าใจตามที่เราฟังธรรมฟังคำสั่งสอนนั่นด้วยจิตนี้จึงจะเข้าสู่สมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในอุบายคือความตายนี่แหละจึงเป็นอุบายเป็นยอดกรรมฐาน สูงสุดในกรรมฐานทั้งหลายเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นจำเป็นต้องตายไปตามยถากรรมนั้นๆ น, นทีนี้ที่เราจะไกลกรองพินิจพิจารณาให้เห็นก็คือว่าได้ข่าวคนอื่นตายก็ให้รีบเอามาสอนใจของตน เอามาสั่งสอนใจของเราก็ไม่เฉพาะสองสามคำคิดนึกเท่านั้นแล้วก็หยุดไปเอามาสอนมาตักเตือนอยู่จนจิตใจนั้นสงบหลังรับมีความสลดสังเวชในความตายมันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่แต่ว่านึกนึกคิดคิดไปแล้วก็หยุดไปอันนั้นมันเพียงการจดจำ ว่าเราจะต้องตายทุกคนที่เกิดมาต้องตายแน่ถ้าเราไปฟังแค่คำพูดมันก็สุดแค่นั้นแหละแต่ความจริงมันไม่สุดเท่านั้นถ้าจิตใจมองเห็นความตายของบุคคลผู้อื่นและตัวเองด้วยคนเราจะไม่นิ่งนอนใจจะต้องเล่งทีเดียว เล่งภาวนาทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความตายนี้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเห็นแจ้งซึ่งความตายคำสอนท่านก็ว่าให้นึกทุกลมหายใจอันนั่นเป็นเรื่องของคำสอนทีนี้การทำการปฏิบัตินั้นมันจะต้องเอามานึกมาพิจารณา จนซึมซาบเข้าไปในหัวใจจริงๆจนเห็นแจ้งภายในใจของตนว่าความตายนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครจะมาแก้ไขไม่ได้จนจิตใจมันเห็นแจ้งนภายในถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งภายใน ทุกดวงใจเราจะต้องมีสติระลึกอยู่เมื่อเห็นสัตว์ตายก็เอามาเตือนใจไม่ว่าสัตว์ประเภทเล็กประเภทน้อยสัตว์มากเท่าสีเท่าสองเท่าอะไรก็ตามเมื่อเห็นสัตว์เหล่านั้นตายก็ให้เอามาสอนใจ โดยเฉพาะอาหารการบริโภคอาหารการกินของคนเราทุกคนเล่ากินอาหารทุกวันแต่เราไม่ได้คิดถึงความตายอาหารมนุษย์นั้นส่วนมากก็เอาสัก์ที่ตายมาเป็นอาหารถ้าประเภทไข่ ถ้าเป็นไข่ปูไข่ปลาอย่างนี้มันเป็นเป็นล้านล้านไข่แต่เราก็ไม่ได้นึกให้มันเห็นว่าไข่แต่ละไข่นั้นมันก็ตัวหนึ่งนั่นเองตัวหนึ่งก็คือเราคนหนึ่งนั่นเองทําไมเราบริพกเรากินทุกวันไม่ได้คิดให้เห็นว่าเขาตายขนาดไหนเรา จะมีความตายอย่างนั้นไหมเนี่ยเอามานึกเอามาเจริญจนเกิดความสลดสังเวชถ้าไม่มาพิจิตพิจารณาแล้วจิตมันจะเลิศเลอเผอเลยสัตว์อื่นตายไม่เกี่ยวเราไม่ตายคนอื่นตายไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ตายตายแต่คนอื่นเจตมันก็ประมาทแหละ อยากพูดบาปก็พูดอยากทำบาปก็ทำคิดตันใดที่เป็นบาปก็คิดได้ไม่กลัวบาปเพราะมันไม่เห็นคำว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นมันเป็นปัญหาอยู่ดูให้เห็นอย่างว่าทำไมคนเราบางเวลาจึงไปเหยียบขวากเยียดหนามปักเข้าปักตีนจนเดือดร้อน ก็เพลาะไม่เห็นถ้าเห็นแล้วคนนั้นจะไม่เหยียบเห็นแล้วแม่มันจะเหยียดจะเหยียบลงไปมันก็เต้นข้ามเพราะมันมองเห็นว่าควากหนามหรือสิ่งที่แหลมคมเมื่อตาเท่าตามตัวเราที่กงไหนก็ตามมันต้องเกิดความเดือดร้อ น, นหมายถึงว่าความเห็น เจ็ยใจที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เห็นความตายที่จะมาถึงตนเห็นคนอื่นตายก็อย่าไปนึกแต่ว่าคนโน้นตายถ้าคนเกียรทิชงตายไปก็ดีใจถ้าคนที่ตายนั้นเป็นญาติกาวงศาพ่อแม่ลูกเต่าหล้านเหลนสามีภรรยา ก็เดือดร้อนด้วยความเป็นห่วงอะไรสิ่งเหล่านี้เราต้องนึกคิดพิจารณาให้มันเห็นทำไมไม่เห็นคนเราเกิดมาปีเดียวกันเขาตายไปก่อนก็มีเมื่อเขาตายไปทำไมเราไม่นึกไม่พิจารณาให้เห็น หรือบางคนก็เลยบอกพ่อของเรานั่นเขาตายไห ม, มพ่อเราก็ตายไปแม่เราเขาตายไหมแม่ก็ตายตายก็มีในขณะที่เราเนึกถึงอย่างนั้นะตัวเรามันตายไหมแม่เดี๋ยวนี้ยังไม่ตายแต่มันจะตายต่อไปต้องเอามาสอนใจของเราให้ได้ ไม่ให้ใจประมาทมันใจประมาทเห็นสัตว์ตายก็ไม่ลึกถึงความตายว่าแต่สัตว์โน้นตา ย, ตายเห็นคนตายก็ไม่เอามาสอนว่าคนโน้นตายตัวเรามันไม่ตายเรามันตายไม่เป็นด้วยแต่มันจะต้องตายให้เราเห็นน่ะมรณะกรรมฐา น, นี้ต้องนึกให้มากจเจริญให้มาก นึกมากขนาดไหนจเจริญมากขนาดไหนมันมีจุดอยู่นึกจเจริญจนกระทั่งมันสลบสังเวชมองเห็นความตายในจิตในใจได้ตลอดเวลาไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขียนหนังสือเป็นความตายพูดเป็นความตายเท่านั้นเจตใจมันเห็นมันแจ้งนะภายใน ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตัวเราตัวเขาทั้งคนทั้งสัตว์มันต้องมีความตายอย่างนี้เจ้าตัวจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ความตายมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงเมื่อจิตมันเห็นอย่างนั้นแจ้งอย่างนั้นจิตมันก็สลสงบละมันไม่ทำบาปในทางกาย ไม่กล่าวบาปในทางวาจาไม่คิดบาปในทางจิตทางใจเจตใจก็มีแต่มุ่งให้ตัวเราแล้วคนอื่นมีความสุขความสบายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ว่าทางอ้อมทางตรงแลว้วมุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขตลอดเวลา เพราะมองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวอยู่ทุกเวลาและก็ให้นึกให้เจริญอยู่ไม่ให้มันหลงแห่มันแจมแจ้งในจิตในใจของเราทุกคนเราจะว่าอยู่ดีสบายมันไม่ตายไม่ได้บางคนนั้นก่อนยังไม่หลับไม่นอน ก็อยู่ดีสบายเป็นพระเป็นเนนก็ไม่มีเรื่องอะไรเป็นญาติเป็นโยมก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่พอเข้าไปนอนหลับเท่านั้นบางคนก็เกิดลมเกิดแรงขึ้นมาเ อ, ออเอ่าอาแก้ไขไปหายก็มีไม่หายตายก็มีบางคนไม่มีเรื่องอะไรเงียบหายไป เดินเช้าไปดูล่ะมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้มันแข็งหมดร่างกายแข็งกระด้างไม่รู้มันตายแต่เมื่อไรตายแบบนี้นะมันก็มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าคนไม่เอามาภาวนาไม่เห็นจิตมันก็ประมาทเห็นสัตว์ตายก็ไม่สะดุ้งกลัวบาปเห็นคนตายก็ไม่สะดุ้งกลัวบาป เพราะสติสมาธิปัญญาภายในมันไม่เกิดไม่มีขึ้นหรือว่าจิตใจภายในนะมันมืดมันดำมองไม่เห็นซึ่งความตายนะั้นจิตมันก็ประมาทต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำเป็นต้องเอามานึกมาเจริญในใจทุกๆคนไม่ใช่ว่าเพ่งให้คนอื่นสอนให้คนอื่นนึก อย่างนี้ก็ไม่ได้เมื่อเรายัางนึกได้จเจริญได้ซึ่งความตายเอามาสอนใจของตัวเองนั่นแหละให้เกิดความรู้สึกสำนึกตัวในการที่จะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นสิ่งใดยังไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติ พอจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในใจคือต้องการผลแห่งการปฏิบัตินั้นท่านจะให้เอามานึกมาเจริญให้มองเห็นอยู่ตลอดการเพราะมันเป็นธรรมภายในไม่ใช่คนอื่นบอกอย่างเดียวเอาจนมันเห็นในจิตในใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกดวงใจ ไม่ว่าจะอยู่ในเพศพันวันลนะใ ด, ดกูมองเห็นตลอดความตายนั้นทันว่ามันคืบคานเข้ามาจนถึงนักบวชสะณะนักบวชนุ่งเหลืองนุ่งขาวนุ่งสีนุ่งอะไรก็ตามมันคืบคานเข้าไปได้ทุกคน บางคราวยังมีพระอุปัชฌาย์ไปบวชนาคใกล้ฤดูเข้าพรรษานี่แหละบวชนาคก็ยังไม่หมดบวชพะยังไม่หมดมันหลายองค์จนค่ำมืดแล้วก็เลิกลากันไปพุ่งนี่บวชใหม่ในคืนวันนั้นแหละ อุปชาองค์นั้นพระองค์นั้นไม่รู้ว่าเกิดโลกอะไรก็ไม่รู้จนตื่นเช้าพระเนนในวัดทั้งพระใหม่พระเก่าเอวันนี้ท่านอุปชาทำไมไม่ลงมาพระเนนจะไปบินบาทแล้วยังไม่เห็นไปตามดูสิเมื่อไปตามแล้ว มันเกิดวิปเรศขึ้นมาแล้วไปล่องก่เฉยไปจับเท่าก็สั่นถึงศีรษะมันตายแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อุปชาองกนั้นแขงกระด้างหมดแล้วเป็นอุปช า, าก็ไม่ยกเว้นนะเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้ฟังอย่างนี้ก็ให้รีบมาสอนใจของเรา ข้อแก้ตัวที่ว่าเราไม่ตายตายแต่ท่านอุปัชาเราไม่ตายง่า ย, ายไม่ให้มันว่าก็เมื่ออุปัชาเป็นอุปัชาตายได้เราก็ต้องตายได้สิพ่อแม่ปู่ย่าตาโทษเราท่านทั้งหลายไปไหนเวลานี้ก็ย่อมรวมความว่าเขาตายไปแล้วเรายังไม่ตาย แต่ว่าเราทุกคนหมายถึงกายวาจาจิตนี้จะต้องตายอย่างนั้นแน่นอนความคิดความรู้ความเห็นอันนี้ฮะมันซึมซาบเข้าไปในจิตในใจซึมเข้าไปจนเห็นแจ้งว่าความตายนี่มันเป็นความจริงใครจะมากัน้นไม่ให้ตายไม่ได้ กั้นอย่างหนึ่งมันก็ตายลายหนึ่งให้ได้ให้จิตมันซึมทราบอยู่ในจิตในใจอันนั้นบางคนก็มักจะคิดว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่เป็นสามะเนนเด็กๆอยู่เป็นเด็กหนุ่มอยู่ไม่เป็นไหนไม่ตายไม่ได้ <c oughs> เวลามันจะตายขึ้นมาเด็กก็ตายได้ ไม่มีอะไรแก้ไขได้พราอการตายมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลมันได้เวลาตายแล้วมันต้องตายจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามเหตุการณ์แห่งความตายนั้นท่านว่ามากมายคิดไม่ถึงทางที่เหมาะสมเราต้องนึกถึงมรณะกรรมฐานเนี่ยมันกว้างขวางไว เห็นคนก็ให้เห็นคนนั้นจะต้องตายไม่ว่าเห็นคนเด็กคนหน่มคนสาวคนอะไรก็ตามเห็นก็ต้องให้เห็นตายไปด้วยคือไม่ตายเวลานั้นมันก็จะต้องตายในเวลาต่อๆไปภายในร้อยปีเลยร้อยปีนี่แหละทั้งเราทั้งเขาทั้งนักบวชนักบ้าน ใครจะเก่งกล้าสามารถอย่างไรก็ตางความตายนี่มันเข้าไปถึงหมดไม่มีอะไรกั้นได้ในทางธรรมท่านจึงให้ชื่อว่าเป็นพยาใหญ่ความตายนี่เร็ว่าเป็นพยาใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งใครจะกล้ามาลบ กับพยามมจุลาคือความตายนั้นไม่มีทางที่จะเอาชนะได้อาวุธยุทธพัณฑ์จะดีขนาดไหนก็าตามจะมาสู้กับพยามมจุลาคือความตายนั้นไม่ได้ต้องพ่ายแพ้ไปหมด ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราท่านทั้งหลายเนิกให้เห็นจเจริญให้ได้เอาจนกระทั่งนั่งก็มองเห็นความตายจะมาถึงตัวเราอยู่นอนสบายก็ไม่ให้ใจลืมว่าสบายขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อภัยคือความตายมาถึงเขานอนโยก็ตายได้นั่งโยก็ตายได้ หัวเลาะเพลิดเพลินอยู่ก็ตายได้เยือนโยก็ตายได้เดินไปมาก็ตายได้ทำงานทำการกิจกรรมอันใดก็ตายได้เขียนหนังสือโยก็ตายได้สวดมนต์ไหว้พระพูดยาปลาใสล่องลำทำเพลงตายได้ทั้งนั้น ใครจะไปอวดดิบอวดดีว่าข้าพเจ้าไม่ตายอวดไปเถิดภายในร้อยปีนั่นแหละมันจะมาสอนให้รู้ในระยะนี้แล้วมันสอนความเจ็บไข้ได้ป่วยให้เรารู้ไว้ก่อนอีกไม่นานสุดท้ายแหละเอาความตายมาให้ละมัน หรือว่ามันลากคอให้ตายไปเลยเรายาประมาทมรานังเมภาวิสติท่านให้เจริญให้นึกอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจนได้รับความสลดสังเวททุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจนี่เมื่อมันเห็นความตายจริงๆแล้วมันยุด ยอดความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรต่อมีอะไรได้หมดนั่นแหละเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าเรามีความมุ่งมากนปรารถนาอย่างใดอยู่เมื่อความตายมาถึงเข้ามันสู้ไม่ได้ต้องตายพระนุมเนนนุผ้าขาวนุม ว่าเราไม่ตายไม่ได้เวลามันมาถึงเข้าแล้วเด็กก็ตายได้นมก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายเร็วลมหายใจเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายแล้วอันเปรียบเหมือนอย่างว่าไม้ต้นไหนที่มันอยู่ลิมฝัง จะเป็นฝั่งน้ำหรือฝั่งภูเขาก็ตามมันต้องมีเวลาล้มค้นลงมาชั้นใดชีวิตของเราท่านทั้งหลายแม้จะแข็งแรงขนาดไหนอยู่ดสีสบายขนาดไหนก็ตามแต่ถึงเวลามันจะแตกจะตายนั่นเหมือนต้นไม้มันค้นลงมาให้เราเห็น อย่างเราอยู่ที่ถ้ำปองนี่มองไปยอดเขาเสียงดาวจะเห็นว่าภูเขานั้นเป็นของแข็งไม่มีอะไรจะไปทำลายได้แต่บางวันบางเวลาก้อนหินอยู่บนนั่นแหละมันก็มีเวลาแปกมีเวลาหลุดลงมาทำไมก้อนหินมันแข็งแกร่งทำไมมันถึงหลุดลงมา ก็นั่นแหละคนเราจะเด็กนมแก่อย่างไรมันก็ความตายนี่มันต้องมาถึงได้ที่เรานึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มาถึงมาเราไม่ได้ซึ่งความตายเนี่ยมันคิดเอาเองเวลาความตายมันเข้ามาถึงแล้วไม่มีอะไรที่จะไปทัดทานได้ ยำเป็นต้องแตกต้องตายไปตามยะถากรรมนั่นนั้นทางที่ดีเหมาะสมท่านจึงให้ภาวนาให้มันรู้แจ้งรู้จริงให้มันชัดแจ้งตั้งแต่นี้ต่อไปจนให้เห็นว่าความตายนี่มันขยับเข้ามาใกล้เข้าไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันขยับเข้าไปเรื่อย ไม่มีเวลาไหนที่จะห่างไกลออกไปเตือนใจของเราให้รู้ซึ่งมรณะความตายนี้ให้ได้จนเกิดธรรมะสังเวสลด จ, จิตสลดใจในคนตายในสัตว์ตายในคนอื่นตายและตัวเราก็ต้องตายอย่างเขาอย่างนั้น ทนเมื่อมารณ ะ, ะภัยความตายมันนึกมันจเจริญได้เห็นว่ามันหนีไม่พ้นบุคคลผู้นานกระต่องบำเพ็ญทานรักษาสินภาวานาไม่ท้อท้อยทำโยทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบทเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วทุกสิ่งจาเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไป ใครมียศก็ตายหนีจากยศใครมีลาภมีทรัพย์สินเงินทองอันใดก็เวลาตายแล้วก็ต้องจากไปสิ่งที่เรามีความรักใครพอใจอยู่ในญาติกาวงศาพ่อแม่ลูกเต่าล้านเลนเมื่อมรณะนะภัยคือความตายมาถึงเขาแล้ว ต้องตายต้องจากกันไปไม่มีสิ่งใดที่จะมาทัดทานได้มีอยู่อย่างเดียวก่อนที่ยังไม่ถึงความตายเราจะได้บำเพ็ญทานรักษาศีลโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาอย่าไปทอดทุรลาทุกคืนทุกวันเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ โดยเฉพาะคือว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆุกคืนนั้นย่อมมีโอกาสอันดีเพราะคนเราทำการงานมาตั้งแต่เช้าจนค่ำจนถึงเวลานอนเวลานั้นจึงเป็นโอกาสอันดีจะกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์อย่างไรอย่างไรให้เอาเชียก่อน นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมั่นได้จิตใจเยือกเย็นสบายเสียก่อนไม่ให้ใจประมาทพอนึกเห็นความตายที่จะมาใกล้ตัวเข้ามาทุกเวลา และความตายนั่นใครจะไปผูกเป็นนิดเป็นสหายกับความตายมันไม่ฝังมันไม่เอาทางนั่นหน้าที่ความตายเมื่อถึงเวลาแล้วมันเค็นฆ่าเอาจนตายให้ได้จะตายแบบไหนก็ตามมันก็ตายนั่นทีนี้นถ้าผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกสำนึกตัวแล้ว เล่ปฏิบัติภารรวนาทำคุณงามความดีไม่ต้องมัวไปติเตียนนินทาว่าลายป้ายสีให้แก่กันเลยกันเพราะทุกทุกคนมันต้องตายก่อนจะตายนี่ใครภาวนาดีผู้นั่นก็ไปสู่ที่ดีใครละกิเลสได้ผู้นั่นก็มีแต่ความสุขความสบายใครจะไปช่วยไม่ได้ ใครไม่ทำบุญทำแต่บาปบาปที่บุคคลผู้นั้นทำมันก็ให้ผลเดือดร้อนวุ่นวายนั่นแหละการนั่งภาวนาก็ดีการเดินจมกลมก็ดีเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะต้องประกอบกระทาให้เกิดให้มีขึ้น จนจิตใจนี่เกิดความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารในการที่จะปฏิบัติภาวนาทำจิตใจของตนให้องค์อาจกล้าหารอย่าไปกล้าทำความชั่วพูดชั่วคิดชั่วกล้าทำความดีกล้าละอิเลตลาคะกันหาให้หมดไปเรียกว่าคนกล้า กล้าละกิเลสโทสะจริตให้หมดไปสิ้นไปนั่นแหละคนกล้าก้าละกิเลดโมหะอาวิชาตัณหาในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปก่อนความตายจะมาถึงให้เราทำความดีไว้เต็มที่เมื่อคุณงามความดีเต็มที่เต็มใจเต็มกายวาจาจิตของเราแล้ว บุคคลผู้นั้นไม่ทุกข์ไม่ร้อนความเจ็บมาถึงเข้าท่านก็แก้ไขภาวนาในใจท่านได้แม้ความตายมาถึงเข้าใจท่านก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเรียกว่าใจมันทนจากความเจ็บทนจากความตายใจไม่ยึดมัน่นถือมั่นในอุปทานไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเรา เจ็บใจก็แจ้งแสงสว่างสวัยกิเลสความโกรธหมดไปกิเลสความโลภหมดไปกิเลสความหลงหมดไปสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านทำความเพียรภาวนาละกิเลสท่านไม่ให้กิเลสมาผูกมัดลัดลึงหัวใจท่าน พระพุทธเจ้าก็ดีพระปฏิเจ้าก็ตามพระสาวกของพระองค์ก็ตามท่านผู้ได้บรรลุมรรคผลจึงเป็นที่น่ากราบหน้าไหวสักการะบูชาเคารพนับถือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสนั้น มันหุ้มหอ่อจิตใจปุถุชนคนเรามาตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ท่วแล้วทีนี้ถ้ามาปัจจุบันชาตินี้ใจมันก็ยังไม่รีบเร่งยังไม่ภาวนาย่อย่อนท่อถอยอยู่ย่อมใช่าการไม่ได้เราต้องพากันลุกขึ้นตื่นขึ้นในหัวใจ รวมกำลังตั้งมั่นลงไปถ้ามันมัวคิดฟุ้งซ่านอย่างอื่นก็ให้เตือนใจของเราว่ามรณงเมพวิสติมรณะมรณงก็แปลว่าคว า, ามตายเมก็เลาตัวเรากายวาจาจิตของเรานี่จะต้องตายแน่ๆภายในร้อยปีไม่เหลือเราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้ จะต้องตั้งใจภาวนาเอาใจของเราให้ได้ใจคนเรานั้นไม่ใช่ตัวที่มองเห็นนี่อันนี้แียวว่าโลกประขันโลกประขันนี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่จิตใจแล้วไม่ใช่ตัวของเราด้วยร่างกายสังขาร น, นี่เปรียบเหมือนดังว่ากุฏิวิหารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคน มันมีตัวคนอยู่ในบ้านเรือนนั่นอีกส่วนหนึ่งรูปร่างกายจะเป็นเพศหญิงเพศชายหนุ่มแก่ประการใดก็าตามอันนี้คือว่ารูปปัะขันมีดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้นึกภาวนาอยู่ในใจมรณะกรรมฐานนั้นอยู่ภายในนั้นอีก แต่คนเราเห็นลู่เห็นกันก็เห็นแต่นลกูกลูกนี้มันเป็นส่วนน่ะเหมือนบ้านเรือนที่ว่านัน่นส่วนจิตนั้นมันมาอาศัยอยู่ที่นี้เรียกว่าเป็นเรือนของของจิตของใจจิตใจได้อาศัยเรือนนี้เป็นที่อยู่อาศัย แล้วเรือนหลังนี่คือขาสองแขนสองสีษะหนึ่งนี่มันไม่นานมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลามันรอวันตายอยู่ทุกลมหายใจเราจะมาดีใจพอใจสนุกเฮฮาตามภาษาคนหลงคนไม่รู้ไม่ได้ จะต้องปฏิบัติบูบชาภาวนาทาจิตทาใจของตนให้เี่ความเท่งคัดมัพยักษ์เนว่าตามรู้เห็นจิตใจดวงผู้รู้อยู่นะ่ะสายไหนนี่ให้ได้อย่ามาหลงยึดเอาถือเอาแค่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันเป็นเรือนร่างของจิตใจมาอาศัยอยู่นี่เท่านั้น ดวงจิตดวงใจนั้นเป็นสิ่งสาคัญรูปร่างกายไม่สาคัญเท่าดวงจิตดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในตัวในใจเราท่านทั้งหลายนี่แหละสาคัญจิตใจผู้รู้โยภายในนี่แหละท่านว่าเป็นใหญ่ในตัวเราทุกคน เป็นประธานเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จด้วยดวงจิตดวงใจอันนี้ทางนั้นถ้าจิตใจดวงนี้จะทําดีแล้วทําได้ตลอดที่เราว่าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ละไม่ได้อะไรต่อมีอะไรนั่นคือเราไม่ตั้งใจลงไปให้เป็นที่มันก็ทําไม่ได้ทางนั้น ละไม่ออกทางนั้นถ้าหากว่าจิตใจดวงนี้แหละดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละมาเห็นทุกเห็นโทษเห็นไสในกิเลสกามวัตถุการมในโลกในวะัะสงสารอันนี้จนเห็นแจ้งแทงตลอดจิตใจมันก็ไม่มาลุ่มหลงมัวเมาเพราะจิตมันเห็นแจ้งว่า เกิดมาแล้วมันต้องมีเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนเรื่องไม่เที่ยงแน่แน่นอนเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยโทษจะมายึดเอาถือเอาอย่างไรก็ไม่พ้นจากความตายความตายนี้ไม่พ้นแน่แน่ไกลลองให้มันเห็นแจ้งภายในจิตถ้าจิตไม่รู้ไม่ได้ จิตไม่รู้มันก็มืดหมดละคนที่จิตหลงจิตไม่รู้ทันว่าเหมือนกลางคืนมืดเหมือนกลางคืนไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าขืนเดินไปก็ตำต้นไม้ผากนามมีภัยอันตรายรอกด้านเพะจิตมันมืดจิตมันหลงจิตไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรม ผู้ปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเมื่อท่านมานึกได้เจริญได้ว่ามรณะเมภาวิชิติเราต้องตายท่านไม่นิ่งนอนใจสัานภาว น, นาทําความเดีละกิเลสกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าใดละซึ่งตั้งใจอยู่ภายใน ก่เลดความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงอวิชชาตัญหามีมากน้อยเท่าไร่ก็เพียรละออกไปให้หมดสิน้นเพราะว่าเมื่อมรณะภัยความตายมาถึงเข้าเราจะเอาอะไรไม่ได้ท้งนั้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้ว ซึ่งมลนะกรรมฐานนี้ก็ให้พาการกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนมาชำละอิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของตนของตนให้หมดสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสสุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโปภ ว, วะอธิวาธนาซีริกานิจังวุธาปจายโนโ จตารโอธรมมาวทันติอายุวันโนสุขังสัลังอายุวัตตโกธนวัตตโกสิริวัตตโกยะวัตตโกภะลาวัตตโกวันณวัตตโกสุขวัตตโกโหตุสปัฏาทุกขโลคปยาเวลาโซกาสตุจุปัฏวาอเนกาอันตรายาปิ วินาสันตุจเตสะสาสิยาสิทธิธนังลาพังโสติภาคกายังสุขังพลังเิลีอายุจวันโนจาโภคังวุตีเจยะสวาสัสวัสาชฌะอายุจักิวะสิทธิปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพภเทวตาสัพพุท ธ, ธานุภาเวีนะ สธาโสธีภาวนตุเตภาวตุสัพพังฆลังลักขันตุสัพพเทวตาสภธมานุภาเวนะสธาโสธีภานตุเตภวตุสัพพังฆลังลักขันตุสัพพเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะสธาโสธีภาวนตุเต นั่งสมาธิภาวานาแล้ ว, วเอาจนมันไม่ยึดถือเป็นต้นว่ามันเจ็บปวดทุกขเวทนาทิ่ภายในก็ไม่ให้ยึดมาเป็นเราเจ็บมันเป็นธาตุดินมันเจ็บธาตุน้ำมันเจ็บธาตุไฟธาตุลมมันเจ็บ ทั้งมันเถิดจิตเราก็เฉยอยู่ได้าเวลามันเจ็บมันโปรดเข้ามาจิตมันกระสับกระสายคือว่าจิตมันยังไม่สูงกว่ายังสู้กับเวทนาไม่ได้คาว่าสู้นะไม่ใช่สู้อย่างอื่นใดคือว่าสู้ด้วยการปล่อยวาง นับตั้งแต่การยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนพระพุทธเจ้าท่านให้เลิกละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีเลสะตะปลามาตคือความยึดอันใดถืออันใดไว้ทุกมันก็มีในจิต ถ้าจ็ตไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายก็ลงสู่สภาวะธาตุสภาวะธรรมคำว่าหลักอนิจังทุกขงังอนัตตานะ่มันมีอยู่ในรูปนามกายใจของคนเรานี่แหละแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นมันก็ไม่เห็นไม่เข้าใจ เวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นมาจิตมันก็เอาเราลองให้จะให้มันทุกเหล่านี้หมดไปทุกนั้นถ้าเรารู้แจง้งรู้จริงได้เมื่อใดเวลาใดมันก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนา แต่ถ้าจิตผู้ปฏิบัติมันยังคล้องอยู่ยึดอยู่ว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเมื่อมีอะไรกระทบกระเทือนขึ้นมาจิตมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะไม่โล้จากการปล่อยวางเมื่อจิตไม่ปล่อยวาง เทียบเหมือนอย่างว่าเราเอามือไปจับสายไฟที่มันร้อนความร้อนมันก็วิ่งเข้าหาตัวหาใจของเราทีนี้ถ้าเรารู้ว่าของร้อนเราไม่ไปแตะต้องและระวังรักษาไม่ให้ใจเราไปยึดไปถือเมื่อจิตไม่ยึดถืออะไรอะไรมันเกิดขึ้น มันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอย่างนั้นเองพระพุทธเจา้าท่านจึงตรัสว่าเยวเมตังอย่าขาผูตังสมปัญญาย่าดัตถังเพึ่งรู้จริงเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบทาอนอย่างนั้นเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วจิตมันก็ไม่ไปทุกไปร้อน ไม่ทุกไม่ร้อนกับคนอื่นผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ทกไม่ร้อนกับทาาทีขันห้าอายจันะทั้งหลายที่สมมติว่าเป็นตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกของโกมันเป็นอะไรขึ้นมามันจะแตกจะดับก็เป็นเรื่องของทาาทีขันห้าเขาแตกดับทัางมันเป็นไร แลี ว, ว่าทำใหู้้แจ้งตามความเป็นจริงทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทั้งลูกทั้งนามทั้งโลกนี่แหละเมื่ออะไรมันเกิดมันมีมันเป็นขึ้นยิตก็อย่าไปยึดถือต้องมองให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมานี้ม่ความตายเป็นผลที่สุด อันความตายที่มันปิดบังอยู่มันก็ตายไปทุกเวลาแต่เมื่อจิตไม่รู้ไม่เห็นก็สําคัญผิดคิดว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายยังมายึดบัตตัวเราของเร า, ท, าทั้งข้างตี่ไี่เป็นไปตามความมุ่งมากตราตรนาของเราเองเลยเวลามันเจ็บเราว่าอยากให้เจ็บเลย มันก็ไม่ฟังเวลามันแก่ชราอย่าไปแก่เลยมันก็ไม่ฟังทีนี้เวลามันจะตายันอย่าไปตายเลยครับพเจ้าไม่ชอบตายมันก็ไม่ฟังอีกเมื่อมันไม่ฟังคิดเรายึดมั่นถือมั่นมากเท่าไรมันก็ร้องให้ในใจร้องให้ทางวาจา นำหูนำตาไหลออกมาไม่รู้มันมาจากไหน <S <S <S นั่นแหละคือว่ามันเย็ดมันถือมันเย็ดมันถือมันก็ร้อนแล้วความร้อนทั้งหลายอะไรเมื่อเย็ดถือสิ่งใดในโลกนี้โลกหน้าอยู่มันก็เป็นของร้อนร้อนด้วยกิเลสราคะ ร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสโมหะถ้ากิเลดราคะโทสะโมหะยังหมักหมมอยู่ในใจมันก็ร้อนไหมอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นเวลาภาวนาทุกครั้งทุกคราวให้ยกจิตใจให้สูงคือว่าอย่ามาเย็ดเอา ธาตุเขันห้าอายะตะณะทั้งหลายว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวข้าของข้ามันไม่ได้เป็นของใครธาตแท้มันเป็นของกลางโลกเป็นที่อยู่อาศัยของจิตที่ยังมีกิเลสลาคะโทสะโมหะอยู่ใครจะยึดอย่างไรถืออย่างไรเป็นเรื่องของความลุ่มหลงของแต่และบุคคลผู้ปฏิบัติตาม ยองรู้จักละจักปล่อยวางเวลาอะไรมันเกิดขึ้นสบายกายสบายใจเกิดขึ้นสิ่งที่สบายนั้นจิตมันก็ต้องการอยากจะให้มันอยู่ น, น, นานๆไม่ให้มันเจ็บมันปวดแต่ว่ามันก็อยู่นานไม่ได้เพราะสิ่งใดมันเกิดได้มันก็ดับได้ มันดับได้มันก็เกิดขึ้นมาได้เป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติธรรมดาถ้าสติสมาธิปัญญาในจิตใจของผู้ปฏิบัติมันยังไม่รอบรู้ในกองสังขารยังมายึดเอาสังขารเป็นตัวเราของเราอยู่นั่นแหละทุกมันก็มีอยู่ในนั้น ทุกเพราะอะไรทุกเพราะอุปทานความยึดถือเมื่ออุปทานตัวอุปทานกิเลสอุปทานความยึดความถือว่ารูปนี้นามนี้เป็นของเรามันก็ต้องทุกนั่นแหละเพราะมันแบกอยู่ยึดอยู่ถืออยู่เหมือนเราแบกของมันก็หนักถือของมันก็หนักปล่อยวางลดุดออกไปมันก็ไม่หนัก ใจิตใจของผู้ภาวานาก็จะไปทีนาพิจารณาภายนอกก็ไม่ทันท่านให้พิจารณาภายในเรียกว่ากรรมฐานธาตุกรรมฐานคือธาตุดินน้ำไฟลมโดให้มันเห็นให้มันเข้าใจในใจ อสุภะกรรมฐานร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆยังมีชีวิตอยู่ก็แสดงอสุภะกรรมฐานคือว่าไม่สวยไม่งามถ้าเวลาหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดคนดีเขามาใกล้ก็จะส่งกินฟุ่งออกมาให้รากฏการขึ้นมา นั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าธาตุทางเดินน้ำไฟลมในรูปในนามในกายในจิตในสัตว์ในบุคคลในตัวในตในตนั้นเน่มันเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นก้อนอสุภกรรมฐานมันเป็นมาตั้งแต่ใดแต่ใดแลแต่ว่าจิตใจของผู้ภาวนา ไม่ได้มาเพียนเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบเมื่อมาเกิดมาอาศัยก็มายึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราโลกนี้เป็นของใครคิดดูให้ดีแทนดินทั้งแผ่นเป็นของใคร ถามดูว่าแผ่นดินตอนไหนเป็นของใครผ้าแผ่นถามแผ่นดินมันจะไม่ว่ามันเฉยอยู่แผ่นดินไทยมันก็ไม่ได้ว่าแผ่นดินลาวมันก็ไม่ได้ว่าแผ่นดินใครไม่ได้ว่าทั้งนั้นแล้วใครเป็นผู้ว่าก็จิตหลงของคนเรามันว่ากันไปเองสมมติกันไปเอง ใครเกิดมาในแผ่นดินก็อยู่ไปจนถึงวันตายตายแล้วก็ทิ้งแผ่นดินไวน้เน่กระดูกเส้นเอ็นก็มาเป็นแผ่นดินต่อไปเจตใจที่ยังรุ่มหลง ม, มัวเมาอยู่ในรูกเสียงกลิ่นรสผลภภพระธรรมลมมันก็เข้ามายึดมาถือเอาลูกเอานาม เอากิเลสเหล่านี้มาไว้ในตัวมาไว้ในใจเมื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ตัวอุปทานมันยึดถือมันกระทุกแหละภายนอกกระทุกภายในกระทุกเพราะใจไม่โล้าใจมันรู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนประจำอยู่แล้วมีความเป็นทุกข์ อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วเกิดมาใหม่กระทุกไปใหม่อีกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าปรุงเอาแต่งเอามันเป็นอยู่มีอยู่เต็มโลกแต่ผู้ปฏิบัติภาวนาจิตไม่ตั้งมันเป็นสมาธิมันก็มองไม่เห็น มันก็เห็นไปตามอารมณ์กิเลสลมๆแรงๆไปมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์เพราะจิตไม่โลดทุกข์เพราะจิตยึดถือโดให้เดยอย่างว่าเขาติเตียนนินทาว่าลายปลายสีให้แก่ตัวเราความจริงลมตา เขาก็ว่ากันอยู่เต็มโลกว่ากันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์้นมาถ้าใจิตใจเราไม่มายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเรื่องต่างๆมันก็ไม่นำมาให้เป็นทุกข์มันเกิดที่ไหนมันตั้งอยู่ได้อย่างไรมันก็ตั้งไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาของสังขารตั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่งรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบไม่ใช่ว่าเอาคำพูดโล่เอาจิตใจโล่เอาปัญญาโล่แล้วว่าโลละโลถอนในจิตใจ รู้แล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็รู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมรู้แล้วอย่าไปยึดถือคาว่าอย่าไปยึดถือมันเป็นสมมุติภาษาถ้าจิตมันยึดมันถืออยู่ว่าอย่างไรมันก็ไม่ยอมปล่อยวางเพราะมันเข้าใจว่าเป็นของตัวเอง ได้มาตั้งแต่เกิดมาเย็ดมาถือะทีนี้มันเยึดถืออยู่ไม่ได้มันแก่ชะลาบ้างมีเหตุบังเอิญบ้างจนถึงขั้นมันจะแตกจะทําลายแล้วก็เอาแล้ะมันทุกข์และไม่ปล่อยวางไว้ก่อนมันก็ทุกข์ถ้าปล่อยวางไว้ก่อนแล้วก็ไม่ทุกข์ทันลายอย่างนั้น เพราะทั้งโลกนี่แหละเป็นโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาโลกสังขารทั้งหลายรูกก็สังขาร น, นามก็สังขารกายก็สังขารใจก็สังขารจิตมันมาหลงสังขารทั้งหลายแล้วก็เป็นทุกข์กับสังขารทั้งหลาย เหมือนจิตใจคนเราเด็ไปทุกกับคนอื่นเขาเกิดเขาแกเขาเจ็บเขาตายมาตามธรรมดาของโลกของเขาแต่เมื่อจิตเราหลงไปยึดไปถือมันก็ทุกขล่ะทุกร้อนในใจลาค ข, ขีณาไฟคือลาคะมันร้อนใจโทสกิลาไฟคือโทสะมันร้อนใจโมหกีนา ไฟคือโมหะมันร้อนใจมันเผาใจมันเผาใจได้เฉพาะคนไม่โูภผู้ไม่โูภตั้งหากันร้อนผู้ภาวนาเลิกละออกไปให้หมดทิน้นความร้อนมันก็หมดไปเป็นความเย็นขึ้นมาแทนเมื่อความเยือกเย็นสบายสงบระ ง, งับตั้งมั่นเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติ เมื่อมันแจ้งอกแจ้งใจแจ้งนอกแจ้งในล่ะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ร้อนอีกเพราะตัวอุปทานจิตยึดมัน่นถือมั่นในหน้าในตาในรูปในนามในกายในจิตในชาติในตระกูลในตัวเราของเราของเขาเจ็ดไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายมันก็หลดลอยออกไป ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเกลือปฏิบัติรักษาภาวนาถึงความที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรก็ตามมันเป็นจริงนั้นนั้นเจงนั้นมันเปลี่ยนไปแปลงไปตามหน้าที่ของเขาก็ะทั่งมันเถิดอย่าไปยึดไปถือมัน กาไปยึดมากกระทุกมากยึดน้อยกระทุกน้อยไม่ยึดเลยก็ไม่มีทุกทุกทั้งหลายมันอยู่ที่ความยึดถือท่านแนกว่าตัวอบปทานนหนักยึดอะไรถืออะไรแบกอะไรมันก็ห น, นักเปรียบเหมือนเราถือของหาบของหิว้วของคอนหรือหาบยึดเต็มตัวเท่าไหร่มันก็ทุกเต็มตัวเท่านั้น ทวกเหล่านี้ไม่มีผู้อื่นใดจะมาแก้ไขให้ไม่มีเป็นเรื่องของจิตใจผู้ภาว น, นาจนให้เข้าใจแจ่นแจ้งชัดเจนมันจึงจะหลุดออกถอนออกไปได้ท่านให้เชื่อว่าทำใจให้สูงกว่าอารมณ์กิเลส เหมือนเรือมันอยู่บนน้ำมันโสงกว่าน้ำมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนถ้าเรือลําไหนเกิดอยู่ไม่อยู่บนน้ำจมลงไปใต้น้ำผู้อาศัยในเรือก็ล่มละลายตายหนีจากโลกนี้เพราะว่ามันจมลงไปจย็ดใจนี้ก็คล้ายกันถ้าจิดมันยึด ถือมากเท่าใดมันก็จมลงไปสมมติในโลกมันทับถมเมื่อทับถมลงไปเต็มที่แล้วก็เรียกว่ามืดแปดด้านสิบด้านไม่มีทางออกเมื่อไม่มีทางออกก็เรียกว่านั่นแหละทุกขังอริยาสัสจยังทุกมันขังอยู่มันติดอยู่มันก้องอยในจิตใจของคนเรานั่นเอง แนนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการภาวนาไม่เลือกเวลาอันเรานั่งเรายืนเราเดินมันก็เปลี่ยนกันไปวนกันไปอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเปลี่ยนไปไหนมาไหนก็ตามเราว่าจิตเราต้องให้มี ความตั้งมั่นอยู่ภายในในการละการเลิกการเพ่งเห็นทุกโทษภายในวัฏฏะสงสารที่มาเกิดนี้มีทุกอยู่อย่างนี้ทุกเหล่านี้มันไม่จบลงด้วยการเลิกละมันก็ไม่ได้ละมันแบกอยู่หามอยู่ยึดอยู่ หน้าของกูตาของกูตัวของเราอะไรอะไรมันก็ยึดเข้ามาหมดจะมาให้ทุกไม่ได้แล้วเพราะมันยึดมันถือโพภาวนาท่านว่าให้กาหนดพิจะะารณาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงมันรู้ว่าดีว่ดีว่าสกว่าสบายไม่ได้ เพราะมันมีทุกข์อยู่ในตัวในใจเอาให้มันสงกว่าเหมือนเรืออยู่บนน้ำอะไรอะไรเข้ามาก็ไม่ยึดไม่ถือไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตมันก็สบายเมื่อจิตมันสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายไปมาที่ไหนก็สบาย มันจะแตกดับเมือ่อใดเวลาใดฤาษีลาใดเจตมันก็สับ